ครูอาจารย์ที่เป็นที่รับขับถือฝากเป็นฝากตายในอดในธรรได้อย่างแท้จริงก็ร่วงโรยไปร่วงโรยไปดังที่ทราบที่รู้กันอยู่ซึ่งร่วนแล้วแต่เป็นองค์สำคัญสำคัญในระยะสามสี่ปีห้าปีมานี้มีแต่ ปีที่ร่วงโรยธรรมชาติเตีรรย้ยตะจันคือครูคืออาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงตามหลักธรรมดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้และแบบเดียวกันกับรัศสารุกทั้งหลายแต่ข้ามพุทธการคือท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงจริจรงๆอย่างหลวงปู่ฟัน หลงปูกขาวลงปูกคำดีหลวงปูแ่แหวนเรานี่ล้วนแล้วแต่เพดน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นแต่ครั้งปุธการก็เรียกอย่างธรรมด า, รรมดาสบายๆตามความรู้ความเห็นของคนที่มีความหนักแน่นในธรรมอยู่แล้วได้ยินได้ฟังขา ไม่แสลงใจเหมือนคนมีแต่กิเลสเต็มหมัว อ, อกหัวใจเต็มหัวใจว่าพระรหันทุกวันนี้พูดอย่างนั้นไม่ได้ข้าศึกของาศาสนธรรมหรือของธรรมนี้มีมากแม่แต่ผู้ปทปฏิบัติธรรมอยู่เช่เองนนั้ในวงผู้นับถือพุทธศาสนาใช่เองก็เป็นข้าศึก ต่อคำพูดคํานี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญิไว้เรื่องอุตริมนุสธรรมนั้นจึงเป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งล้มกับโงค์เป็นศาสดาจอมศาสตาทรงทราบเรื่องอภิธานคตได้เป็นอย่างดีครูอาจารย์ที่ล่วงไปเหล่านี้ด้วนแล้วแต่ผู้เป็นผู้ทรงอัจฉรงยธรรมทางภาคปฏิบัติ เป็นผู้ได้สเสวยผลแห่งการปฏิบัติของตนอย่างแท้จริงดังพระพุทธเจ้าและสาวุทตทั้งหลายท่านเป็นมา <c oughs> ไม่ได้ทรงไว้จต่เกียงความจดความจําชื่อเสียงของกิเลสตัณหาอสวะของอัตของธรรมของมรรคผลนิพพานเพียงเท่านั้นแต่ทราบซึ้งถึงจิตถึงใจ สิ่งที่ควรถอดถอนถอดถ อ, ดถอดนออกได้โดยสิ้นเชิดสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญได้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่เป็นอรหัตตบุคคลทรงองท่านเป็นพระอรหันต์ได้โดยสมบูรณ์บูวาจารย์ทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นได้อย่างนั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ท่านจึงไม่สะทกสะทานท่านจึงไม่มีข้อเครือบแคลงสงสัยอันเป็นความไม่แน่ใจในตนแม่นิดหนึ่งแต่ท่านจะสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆซึ่งเป็นหลักใหญ่ของใจไม่มีนิตกิจารกลัวจะสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ดูหาทั้งหลาย ไม่ถึงเม็ดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะความรู้ไม่เพียงพออย่างนี้ไม่มีนท่านผู้ทรงอัจฉริยธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วนั่งที่ครูวาจาันทั้งหลายที่ได้ยกมาเมื่อสักครู่นี้เป็นสําคัญศาสนาธรรมของพระพุเทธเจ้านั้นไม่มีคําว่าอาดีตอนาคตแต่เป็นศาสนาธรรมที่ทรงความจริงไว้ตลอด มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนมาตถึงถึงบัดนี้ทรงความจริงไว้เต็มเน็ดเต็มหน่วยไม่เคยบกพร่องจากความจริงนั่นเลยนอกจากผู้นับถือศาสนาปฏิบัติไปตามความรู้ความเห็นของตนซึ่งมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงต่างกันเท่านั้นจึงเป็นไปได้ในแง่ต่างๆางนี้นยังกับกลายเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้อีก ไม่เพียงแต่ว่าตนไม่ได้รับประโยชน์ยังกลายเป็นโทษแก่สาสนธรรมซึ่งเป็นหลักใหญ่ได้อีกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรมรมจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาและหาครูหาอาจารย์เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นอย่างสําคัญมากทีเดียวในทางบุธการทางเดียบภาษาวกสาว ก, าวกคือต้องได้ยินได้ฟัง ไม่ได้ยินได้ฟังจะบึกบืนไปเพียงลําพังคนเดียวนะั้นมันเป็นไปไม่ได้นอกจากพระปฏเจิตทุทธเจ้าเท่านั้นนั่นท่านไม่ศึกษาอบรมจากใครแล้วนันประเภทที่ทรงค้นพบเห็นโดยลําพังพระองค์พระองค์แต่และพระองค์ในบรรดา พ, พระปฏเจิตทุกติเจ้าทั้งหลายแล้วไม่มีแก่ใจที่จะแนะนําสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใด ลงค้นขว้าโดยลำพังตนแล้วรู้เห็นขึ้นมาแล้วกับเป็นนั้นว่าอยู่ไปด้วยความสะดวกสบายแต่ละหลายละลายแม้ใ น, นครั้งก่อนๆ ก, ก, ก็ยังมีพระพระเจ้พปูเจ้าซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นหลายร้อยองค์ก็ยังมีแต่ไม่ปรากฏว่าท่านนึงประกาศศาสนาเพราะเป็นเรื่องที่ทรงรู้ทรงเห็นโดยลำพังตนขึ้นมาเท่านั้น โดยไม่ต้องอาศัยภูสีอาจารย์แนะนําสอนที่เรียกว่าสา ว, สาวกสาวกคือผู้สดับผู้ฝังผู้สําเนียกศึกษาดังสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ทำมีได้มีได้ทุกการทุกสมัยอย่างนี้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมานี่เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายผิกับพระบจิตพระพเจ้าเป็นไดไหน ส่วนพระเจต์ท่านทรงรู้เห็นโดยลําพังท่านแล้วท่านก็ผ่านไปไปไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดไม่มีใจใจที่จะแนะนําสังสอนเรื่องความเมตตาท่านเมตตาแต่แตไม่ถึงกับจะต้องไนปะเก็บเป็นผู้แนะนําสังสอนหรือเป็นศาสดา ข, ของใครอั น, นเดียวพระบเระเจตปบาเจกะไปรู้เฉพาะเฉพาะโดยลําพังลําพังลาพังเท่านั้น ถึงจะพูดไปไหนก็ตามไม่ได้หายความกังวลที่เกี่ยวกับหมู่คณะมาอบรมทุกษาอยู่นี่ก็ดีที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องที่นี่ก็ดีซึ่งปฏิบัติอยู่โดยลำพังลำบองลาพังตัวเองทำให้วิตกอะไรเอาวิตกถึงเรื่องสิ่งที่ จะทําให้ลุ่มหลงงมงายนันมันมีอยู่มากภายในจิตใจมีอยู่ทุกข์ขันเราเป็นแต่เพียงว่าเอาความคิดความร้นความเดามาพูมาคิดเฉยๆว่าเรามาประพฤติปฏิบัติทำเรามีศีลเรามีธรรมเราไม่บิดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดเราไม่ฉบไม่ลักไม่ฆ่าไม่ทําลาย ไม่าโมยไม่ประพฤติปิดพรมจันท์ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ดื่มสุราเมา่ัรซึ่งเป็นส่วนห ย, ยาบๆนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นมันมีมากเกินกว่ามากภายในจิตใจของแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นนัก บ, บวชและเป็นนักปฏิบัติอันนี้สำคัญมาก สงเหลานี้มันกระซิบกระซาบมันถุดมันลากกิจให้เคลื่อนไหวไปตามอํานาจของมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราทราบไม่ได้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะควรทราบได้การปฏิบัติก็ต้องตะเกียบตะกายล้มลุกคุกคานล้มก็ล้มอะไรก็เพราะถูกมันเตะมันถีบมันยันนั่นเองคลานก็เพราะเดินไม่ได้ มันไม่เดินล้มก็เพราะถูกมันเตะนะมันมีแต่เรื่องอันนั้นทางนั้นที่ว่าลงลูกคุกคราวไปไม่สะดวกเดินไม่ก้าวไม่สะดวกนั่งไม่สะดวกยืนไม่สะดวกเดินไม่สะดวกเพราะสิ่งนี้มันคอยขัดคอยขวางคอยเหยียบย่ำทาลายคอยเตะคอยผีบคอยยันอยู่ตลอดแต่เราไม่ทราบที่ว่าไม่สะดวกไม่สะดวกเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติ อันนี้มันคล้องตัวของมันที่จะทำความไม่สะดวกแก่เราเพื่อความสะดวกแก่มันใ น, นเราไม่รู้นี่จึงทำให้วิตกทำไมจึงต้องวิตกก็เพราะเคยผ่านมาแล้วเคยรู้มาแล้วเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผ่านพ้นไปแล้วท่านจึงสามารถพูดได้เต็มปากเพราะท่านผ่านมาทั้งหมดในเรื่องราวใดๆ ด, ด, ดังที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติไม่ผ่านอย่างนี้ จะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ต้องผ่านเห็นว่าล้มลุมโกโคตคานคือความตะเกียบตะกายสู้มันไม่ได้ mm. เมื่อสู้ไม่ได้ก็ล้ม mm. คลาน mm. ไม่มีอะไรสะดวกในเวลาที่มันมีกาลังมากเรามีกาลังน้อยคือกาลังทำภายในใจเรามีน้อย mm. กาลังของมันที่เป็นฝ่ายบุกรุกเราหรือเป็นฆ่าสิบต่อเรามีมาก เราจรึงต้องหาความสะดวกไม่ได้ตลอดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหาความสะดวกไม่ได้เพราะมันมีกำลังมากมันขัดมันขวางอยู่ตลอดแต่ยังไงก็ตามคำว่าวิริยเณรธรรมะเจตินี้เป็นธรรมที่เป็นรากฐานสาคัญมากทีเดียวเราจรึงไม่ควรจะมองข้ามไปจะไม่พ้นจากธรรมะบทนี้ คือความภาคเปลนความอุตสาห์พยายามเอาหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีคำถถว่าถอยเรื่อวิยะาณคือความภาคความเปลี่ยนความอุตสาห์พยายามความอดความทนนั้ตามกันไปนั่นแหละไปในช่องเดียวกันกับวิยะาณสติพยายามตั้งเสมอนั่งนั่งไม่ได้เอาพยายามนั่งเดินไม่ได้พยายามเดิน ยืนไม่ได้พยายามดื่นยืนทําความเพียนท่าใดไม่ได้พยายามทำท่าท่านั้นให้ได้ได้มากได้น้อยทําไปอยู่เสมอนี่เรียวกว่าการต่อสู้ไม่สะดวกก็ก็ก็สู้ด้วยความไม่สะดวกก่อนอืมเมื่อสู้หลายครั้งหลายหนอาการต่างๆจะค่อยสะดวกไปตามๆกันเช่นเดินจงกลมไม่สะดวกเพราะความหลงความลืมเลีวไหลเลียวไหลไหลอยู่ภายในใจิตใจมันก็จะค่อยมีสติสต่าง ต่อ ค, อความควเปลี่ยนไปได้ยืนเดินนั่งนอนที่ทําให้เผลอสติทําให้จิตมันถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาก็จะฉุดลากมาได้หลายครั้งหลายหนเข้าก็อยู่ในเนื้อหมือของเราพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปหนี่นี่แหละเหตุที่เราจะทราบเรื่องความลุนรุกคลุ้งคลานของตนทราบด้วยที่เราเป็นผู้สู้เองเป็นผู้ทําเองเป็นผู้ประสบเองและเป็น ผู้ต่อสู้กันเองแล้วผ่านไปได้โดยลําดับลํานาเองทําไมจะไม่รู้ยังไงต้องถึงขั้นราบรื่นก็ทราบสมาธิมีในใจก็รู้อยู่ที่ไหนก็เป็นสมาธิเห็นได้จึงเป็นสมาธิก็เป็นมาจากลู้คู่ค้านนั่นแหละสู้ไปถอยสู้ไปสู้มามันก็เป็นไปได้พิเรศไม่ใช่ว่าเป็นของเที่ยงของ แน่นหนามันคงอยู่ตลอดไปถ้ามีสิ่งที่ก็ไปขัดไปแย้งเข้าไปทำลายถ้าอยู่เช่นทำมันมีคู่ที่จะทำลายได้เช่นอย่างทำก็เหมือนกันเมื่อมีสิ่ ง, งนี้ทำลายได้ทำก็หาความยั่งยืนแน่นอนไม่ได้เมื่อมันเป็นสิ่งที่ทำลายทำได้มันก็เป็นของที่ยั่งยืนแน่นอนไม่ได้เมื่อมีทำเป็นเครื่องทำลายกันอยู่เราจรึงเรียก ว, วิริยะธรรม ทำลายค่าสึกคือกิเลสประเภทต่างๆขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมนี้เป็นเครื่องทําลายทําลายลงจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยหมดธรรมะทําลายนั่นที่มีพ้นจากวิสัยที่เป็นค่าสึกต่อกันแล้วกิเลสก็บรรลัยไปอทําเครื่องต่อสู้เครื่องเครื่องถอดถอนเครื่องทําลายนั่นก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติทั้งตนนั่นหมดการต่อสู้หมดการแพ้การชนะ นั่นไม่ใช่แพ้นั่นไม่ใช่ชนะแล้วทีนี้อันนี้เรีกว่าวิมุตต์หมาถึงหลุดพ้นจากระหว่างธรรมทั้งสองที่ต่อสู้กันนี้ไปแล้วนะเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมจะไม่ทราบเรื่องราวที่เป็นมาอย่างไรขอให้ยึดหลักศาสนาสอนไว้ให้ดีอย่าไปสําคัญมั่นหมายตามที่เหลีดหลอกลวงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนานเท่านั้นปีนานเท่านี้ปีอี่เลี่ยมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจ มันล่วงไปที่ไหนมันมีอดีตอนาคตที่ไหนมันฝังอยู่ในใจเราตลอดทําไมธรรมของพระเจ้าจะไปอยู่ในอดีตนน์ดูอนาคตนน์ดูประเทศลางกาโ น, น้นดูกับพภาษาริขของพระ อ, องค์ที่ปรินิพานไปแล้วโนน์ไม่ได้อยู่กับสติปัญญาที่พระ อ, องค์ทรงสอนไว้ในหัวใจเรานี้บ้างเลยเหรือนั่นต้องคิดอย่างนั้นนี่แหละหลักการปฏิบัติต้องให้คิดจ้นเข้ามาเสมอธรรมะเป็นมัชชิมาฟังสียว่าคำว่ามัชชิมา มีต้นมีปลายที่ไหนมีอดีตมีอนาคตที่ไหนมัจจิมาอยู่ท่ามกลางหัวใจเหล่านี้ยิเลตก็เกิดขึ้นที่นี่ราคะตันหาของโลภความโกรธความหลงประเภทต่างๆเกิดขึ้นที่ใจสิ่งที่จะชำระสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่ใจของผู้บําเพ็ญต้องเกิดขึ้นที่นี่ด้วยกันแล้วแก้กันที่นี่ด้วยกันหมดสิ้นท่าสึกเหล่านั้นไปก็หมดสิ้นที่ดวงใจนี้ด้วยกันบิมุตหลุดพ้นพ้นกันที่นี่บริสุทธิ์ที่นี่ไม่ได้วิ บริสุทธิ์ที่เมืองอินเดียไม่บริสุทธิ์ที่ปีที่เดือนที่กลางวันกลางคืนมืดแจ้งสว่างอะไรเลยมันมืด อ, อยู่ตรงที่หัวใจเพราะกิเลสปิดบงังมันแจ้งอยู่ที่หัวใจเพราะปัญญาทําลายกิเลสลงไปให้สิ้นส่าไม่มีอะไรเหลือนัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีมีมันปรากฏขึ้นที่ดวงใจไม่ได้อยู่กับมืดกับแจ้งกับสว่างกับพระทิศพระจันท์ กับการสถานที่เวล่าเวลาเมืองอินดวมอินเดียกับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่ไหนไหนเลยแต่มากดอยู่ที่นี่นักปฏิบัติให้ให้ย้อนเข้ามาที่นี่ยาหนีจากหลักนี้เป็นอันมากเราเป็นนักรบโดยถูกต้องเป็นแนวทางที่ให้เป็นไปเพื่อไทยชนะโดยลาดับลดายาไปคาดไปหมายให้กิเลสมันหลอกไปนั่นแหละมันหลอกอย่างนั้นแหละแต่เวลาจะเป็นไปตามกิเลส ไม่มีคิดมีอ่านอะไรเลยแต่ถ้าจะให้เป็นไปตามอัตตธรรมทำถูกกิเลสมันขัดมันแย้งมันหลอกมันลวงว่าพระพุทธเจา้าผลิพานนานแล้วเจ้าหาอ้อะไรธรรมะท่านสอนไปแล้วองค์ท่านก่อนิพ้ผ่านไปแล้วหลังอ้อะไรเนี่ยฟังสิหลังอ้อะไร อ, อะไรแล้วผลิพนะานหมดแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วปฏิบัติเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้นะก็ตัวกิเลสมันปฏิบัติเพื่อมรรผลิพานที่ไหนกันเราไม่คิด คุตัวขมันบ้า ง, งมันเป็นค่าศึกต่อธรรมล้วนๆมันจะมาสร้างมรรคผลนิพพานให้แก่เราได้อย่างไงเพราะฉะนั้นการที่มันโกหกจิ่งเหมาะสมกับความเป็นภัยของกับความที่มันเป็นภัยต่อธรรมอยู่แล้วเราทำไมถึงเชื่อความเป็นภัยของหมันว่าเป็นคุณแก่ตัวเองถ้าไม่โง่จนหาที่อาภัยไม่ได้เท่านั้นทั้งๆที่เราเป็นนักบวช ด, ด้วยถือปริศฐสนาก็ว่าถือแล้วจนถึงกับตัวเป็นนักบวชแล้วไม่ได้คิดยอย้อนหน้าย้อนหลัง ถึงความได้ความเสียของมันมันเอาความได้อะไรมาให้เราคำว่ากิเลสกิเลสก็คือตัวมานตัวฆ่าสิของธรรมทั้งนั้นเห็ได้จรไปเชื่อมั น, นนัน่นตรงไหนทำประกาศกลางวันอยู่ตามคมภีรบาลานตามครูตามอาจารย์แล้วสุดท้ายก็มาประกาศกลางวนอยู่ในจิตใ จ, จของเราเองทําไมเราไม่สนใจมายึดเอาจริงวันนี้มาเป็นหลัเกเองของเรานี่เราเสียเปียบกิเลสเราเสียเปียบที่ตรง น, นี้ชาวพุทธทั้งหลายเราเสียเปียบที่ตัวนี้ถ้าไม่ยังเข้าภาคปฏิบัติเก่อนจะไม่เห็นเรื่องราวนี้เลย เรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นภาคปฏิบัติในวงปัจจุบันในกิตปัจจุบันนธรรมล้นล้วนไม่ได้เกิดจากอดีตอนาคตที่ไหนเลยนั้นมีแต่กิเลสมันหลอกไปหลอกไปหลอกไปส่วนธรรมไม่ท่านไมหลอกเอาตรงกลางนี่เลยเนี่ยัปฏิบัติให้ยึดหลักนี้ไว้ให้ดีนี่ที่ว่าเป็นห่วงเป็นห่วงอย่างนี้ห่วหมู่เพื่อน เพราะการปฏิบัตินี่ไม่ไมเหมือนอะไรวิธีแก้ตัวเองก็เหมือนกันต้องฝืนกันทั้งนั้นฝืนกระแสคำว่า ก, กระแสคือกระแสของกิเลสไม่ไม่ใช่กระแสของธรรมอยโสตฯโสต า, ตานั่นนั่นกระแสของธรรมท่า น, นว่าโสดาบันโสดาบันอุบันผูนถนะ้ถึงกระแสแปลแปลว่าถึงกระแสคือกระแสของพร น, นิพาพานพาตุพงถึงแล้วนะ มันกระแสของกิเลมันทําลายกระแสของธรรมโดยลำหนั ก, กําดาต้องยึดหลักอันนี้เป็นสําคัญธรรมที่พระพุทธเจ้านํามาประกาศสอนโลกนี้เป็นธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบโดยลําพังพระองค์สมนัน้ไม่มีครูมีอาจารย์ใดที่สามารถนำธรรมเหล่านี้มาสอนพระองค์ได้เลยพระองค์ทรงค้นเองเห็นเอง การนำทำําอันออกจากผลคือความมือสุดพุทธะเรียบร้อยแล้วนั้นมาสั่งสอนท่านลูกเป็นกิริยาอาการออกมาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือฝ่ายละฝ่ายบําเพ็ญตลอดถึงผลที่ได้รับแสดงไม่บอกบอกไว้แสดงไว้เป็นกิริยาอาการแต่และอย่างอย่างยังไม่สําเร็จประโยชน์อันใดสําหรับผู้ผู้ได้ยินได้ฟัง เพราะเป็นริยาแห่งธรรมตอเมื่อตอนได้นำกิจยาแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นเข้ามาประยุกต์กับหัวใจของเรามาประกอบกับหัวใจของเรามาลบกับข้าศึกที่มีภ า, ายในจิตใจของเรานี่แหละที่นี่ความรู้อันนี้จะเริ่มเช่นเดียวกับความรู้ของพระพุทธเจ้ากลายเป็นภาวนาเมญปัญญาขึ้นมาทีแรกก็ได้ยินจากครูจากอาจารย์เรียกว่าสุตตมยะปัญญา เกิดอุบาตต่างๆขึ้นมาในกะจากการได้ยินในฟังคิดอ่านใจตรองหรือนำทำต่อท่านที่เทศแล้วสอนนั้เราเราได้ยินในฟังแล้วจากท่านไปคิดอ่านใจตรองพินิจพิจารณาเนี่ก็เป็นกินตามมายาปัญญาเกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาใจตรองปัญญาทั้งสองนี้ก็กเป็นกิ่งก้านของภาวนามยาปัญญานั่นละภาวนามยปัญญานั่นแหละ เป็นองค์แห่งปัญญาแท้เบื้องต้นก็ล้มลุกคุกครันซะก่อนดังที้พูดตกินเมื่อบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปชาติก็ดีขึ้นปัญญาก็เริ่มไหวตัวสมาธิมีความแน่นหนามัน่นคงแต่ก่อนเคยยินแต่ยินในตำรับตำลาว่าสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิคือความมั่นคงของจิตว่าไปว่าไปอันนั้นเป็นชื่อะสมาธิสมาธิ ในตำนานั้นเป็นชื่อของสมาธิซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราของท่านผู้ปฏิบัติแต่ยังไม่เกิดเพราะเรายังไม่ได้ทําจะได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อในตำราซะก่อนนั่นคือชื่อสมาธิทีนี้เอาชื่อในสมาธินี่คือความตั้งมั่นเราจะทําอย่างไรให้ตั้งมั่นต้องภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นหนีวิธีการบอกเช่นกนําหนดพุดโทโธพุโทโธหรือคําบริกรรมคําใดก็ตามยืนอยู่กับคํานั้นคํำนั้น มีสติสตั้งตั้งไว้กับคำนั้นๆเป็นคำบริกรรมจิตมีความเชื่อมเข้ามาโดยลํำดับลําดๆจนกลายเป็นความสงบเย็นลงไปอืไเนี่ว่าจิตรวมจิตสงบพอสงบหลายครั้งหลายหนก็ไปจิตก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือความตั้งมั่นเป็นฐานของตัวเองมั่นคงขึ้นมานี่จริและที่เราเคยได้ยินได้ฟังและอ่านในตำราซึ่งมีแต่ชื่อนั้นกลับมาเป็นตัวของตัวขึ้นมา เป็นสมาธิขึ้นมาที่ใจของเราแล้วตีนนานนี่แหละทางพูดถึงว่าภาวนาภาวนามะยปยัญญาหรือภาวนามะยสมาธิสมาธิสําเร็จขึ้นจากการภาวนาอย่างนี้นเราจะว่าเปภาวนามะยปยัญญาภาวนามะยสมาธิก็เป็นได้คือสมาธิสําเร็จด้วยการภาวนาปัญญาสําเร็จด้วยการภาวนานี่เรับแต่ออกตามศับนะ ภาวนาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยสําสเร็จขึ้นมาจากการภาวนาการอบรมการพิจารณาที่ขี้ข่ายนี่ีสมาธิก็เหมือนกันสมาธิภาวนามัญญสมาธมิสมาธินี่ก็เกิดขึ้นสําเร็จขึ้นด้วยกันภาวนาเช่นระบริกรรมคํานั้นคํานี้เป็นต้นนีน่ที่นี้ก็เริ่มปรากฏขึ้นมาสมาธิเมื่อเราทําอยู่โดยสม่ําเสมอยังไงก็ไม่พ้น เพราะความสม่ำเสมอของสมาธิความสงบของสมาธิเป็นสิ่งที่ดึงดูจิตใจให้มีความเพียรแก่กล้าขึ้นโดยลําดับันดาวจะไม่ขี้เกียจคนมีสมาธิภายในจิตใจผู้อยู่ตามปกติใจก็มีความเยือกเย็นไม่วุ่นวายไม่สายแสไม่หิวโหวยโดดน้นโดดนี้กินไม่อิม่มก็คือเรื่องอารมณ์ของใจที่คิดคิดไม่อิม่มไม่พอคิดเท่าไหร่ยิ่งฟุง้งซ่านวุ่นวายยิ่งคิดวุ่นไปหมด นี่คือคิดด้วยอํานาจของจิเลสมันทําให้เกิดความหิืโหมวยไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงกับมา่าเสียตัวไปด้วยความคิดเป็นบ้าเป็นมรว่าด้ความคิดนะถ้าไม่มีสติทําปัญญาธรรมเข้ายับยัง้งเข้าห้ามเพระาะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติทําปัญญาธรรมเข้าเป็นองค์สมาธิภาวนาเข้าเป็นองค์ภาวนาแล้วบังคับ จ, จิตใจให้อยู่ในคําบริกรรมบุญใดบุหนึ่งนี่แหละเป็นการสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างแบบนี้เนี่ยทีนี้พอสร้าง ขึ้นแบบนี้จนปรากฏเป็นความสงบขึ้นที่ใจของตนเองแล้วปัญญาเริ่มพินิจรพิจารณาเพราะสมาธิคือความอิ่มตัวความอิ่มใจใจอิ่มตัวใจไม่ววยิ้โหยคิดโน้นคิดนี้อยากคิดโน้อนอยากคิดนี้เหมือนแต่ก่อนเพราะใจมีธรรมเป็นเครื่องเสวยมีความสงบเย็นสบายอยู่ภายในใจิตใจ จากนั้นก็พาคพิจนาพิจณาทางด้านปัญญานี่ทานวัฒสมาธิปิภาวิตาปัญญามาปลาโค้ติมหานิสังสารคือสมาธินั่นเป็นบาดเป็นฐานเป็นเครื่องหนุนที่จะให้เกิดปัญญาได้เร็วผิดธรรมดาของผู้ไม่มีสมาธิเป็นไดๆพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนะครัสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้เนี่ จะไม่ใช่สมาธิเป็นปัญญาณนะผู้ได้สมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นไม่ถูกต้องพาให้ทําสมาต้อให้ทําปัญญาปัญญาขึ้จะเกิดจิตเมื่อจิตไม่หิวโหวยจิตมีความอิ่มตัวพาทําการทํางานอะไรยอมยอมทําตามไม่สายแสล่อดอ่อนเหมือนอย่างแต่ก่อนที่กําลังหิวโหวยด้วยอารมณ์แห่งกิเลสทั้งหลายใจมีความสงบเย็นได้ยอมพิจารณาในธรรมทั้งหลายได้ด้วยความสะดวกจากนั้นก็ เห็นเหตุเห็นผลไปโดยลําดับลํำดาบเห็นตามความจริงไม่ผืนความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในนั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญาเห็นตามความจริงสิ่งที่ปล่อยปล่ยไปเรื่อยๆสิ่งที่จะบาเพ็ญให้มากขึ้นบําเพ็ญให้มีความมากขึ้นหรือแน่นหนามันคมขึ้นโดยลําดับลาดับนั่นท่านเรียกว่าปัญญาภาวิตโตปาหุลีพาวิตาพาหุลีกตาหรือพาวิตโตพลีกัโตทําให้แจ้งทําอยู่เรื่อยเื่ไม่อยู่ไปตลอดทำให้มากเจริญให้มากนั่น ปัญญาก็จะเิญให้มากทีนี้เมื่อปัญญาได้ค่อยเข้าอกเข้าใจในแง่ต่างๆแล้วย่อมจะค่อยปล่อยวางไปโดยลาดับลาดับนั่นท่านเรียกว่าภาวนาไมยปัญญานี่แหละปัญญาอันนี้แหละปัญญาที่รักษาตัวได้โดยไม่ต้องสงสัยปัญญาในความจํามันเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาในความจริงที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติท่องตนเองมีกิจตภาวนาเป็นสําคัญท่านเรียกภาวนาไมยะปัญญานี่แหละปัญญานี้แหละมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้น คล้ายคลึงหรือเช่นเดียวกับพระปัญญาผู้ทีเจ้าเกิดนี่นะเวลาจะรู้จะเห็นจริงต่างๆคําสั่งสอนของผู้ทีเจ้านั้นเราไม่ประมาทนะเป็นเงื่อนเป็นโอวาทเป็นกิริยาอันหนึ่งที่เราจะมายึดยึดมาเป็นเครื่องมือเพื่อถากเพื่อถางเพื่อขุดเพื่อค้นลงไปลงลงไปงไปแต่เวลาถากมาถางขุดคน้นเราเป็นผู้ทําเองเวลาขุดค้นลงไปเจอก็อเราเป็นผู้เจอเองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่ผู้ทีเจ้ามาเจอให้นะฮะ ไม่ใช่ครูอาจารย์มาเจอให้เราเราเป็นผู้เจอเองขุดลงไปเช่นขุดน้ำเอานี้จอบนี่เสียมขุดลงไปตรงน้ำมันอยู่ตรงนี้แหละว่างั้นเราขุดลงไปขุดลงไปแล้วไปเจอน้ำก็เป็นเราเป็นผู้เจอเองนี่และที่ท่านว่าสันทิฏิโกสันทิฏโกจากภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้สรุปแล้วตลอดภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาคือหมุนตัวเป็นเกียวไปเลย นี่ยปัญญาประเภทนี้แหละเป็นปัญญาที่เข้มแข็งเป็นปัญญาที่แน่ใจเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่สนิทใจตายใจของตัวเองโดยลําดับนลำดัานี่เรียกว่าสันติโกสันติโกรประทับตราลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยนี่ยถ้าสาวะข้างลายรู้อย่างนี้รู้ที่แรกรู้ตามอาการที่พระเจ้าทรงสอนเมืก่อนยังไม่เห็นด้วยตนเองนีงเรียกว่าสาวะโกสาวโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟัง การแนะนำมาคิดมาไต่ตรองนามาขุดมาค้นจนกระทั่งเห็นสิ่งต่างๆที่เราขุดค้นลงไปนั้นเช่นเห็นน้ําก็เห็นนะอาจารย์เห็นอัดเห็นทำเห็นอย่างไรบ้างก็เห็นด้วยปัญญาของตัวเองเห็นด้วยปัญญาของตัวเองชัดเจนลงไปชั้นช่วยจนกระทั่งถึงเห็นได้หมดโดยที่เธอไม่มีอะไรเหลือรู้ได้หมดละได้หมดบรรดาสิ่งที่ควรละบรรดาสิ่งที่ควรรู้รู้ได้หมดด้วยสันธิติโกสันติโกนี่เรียกว่าอเป็นสมบัติของเราแท้ๆเช่นเดียวกับพระริเจ้า มีธรรมเป็นสมบัติของพระ อ, องค์เป็นศาสตาเอกขึ้นมาจากความมีธรรมเป็นสมบัติของพระ อ, องค์แล้วเราได้ยินได้ฟังหยิบยืมเอาธรรมมาจากอริยเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วปรากฏเป็นผลขึ้นมาในตัวของเราเองเห็นประจักษ์ในตัวของเราเองในตัวของเราโดยลําดับลำดับขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าทําเกิดธรรมเกิดในใจอปัญญาเกิดที่ใจปัญญาเกิดแลก็เพื่อทําลายที่เหลือที่เป็นข้าศึกทั้งหลาย กิเลบันนายไปก็ทำก็เกิดทำแท้ก็เต็มหัวใจของเรานี้รู้ที่ตรงนี้รู้ที่ตรงนี้นี่เลยว่าทำเกิดเกิดที่ใจเกิดจากภาคปฏิบัติเทนี้เป็นสมบัติของเราแท้แล้วไม่เสื่อมไม่สูญไม่อัติละทานหายไปไหนเมื่อถึงขั้นที่ควรอยู่ยงคงกระพันหรือถึงขั้นที่คงเส้นคงวาแล้วไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่สูญหายไปไหน ไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีการจะฐานที่ไม่มีร่องมีลาเป็นธรรมชาติหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นตลอด่านจิตวานิพันธ์เที่ยงอะไรเที่ยงนิพานเที่ยงนิพานคืออะไรก็คือใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆทากับใจเป็นเดียวกันแล้วอย่างสมบูรณ์นั่นแหละท่านเรียกว่านิพานเที่ยงเอาตรงนั้นนิพันธ์จึงไม่ใช่อนิจจังนิพานจึงไม่ใช่ทุกขังนิพานจึงไม่ใช่อนัตตานิพานจึงไม่ใช่ไตรลักษณ์ นิพพานเป็นอราัตน์อรัตน์นิพพานเป็นอราัตนา์แล้วไตรลักษ์คืออะไรพิจารณาเพื่ออะไรไตรลักษ์คืออนิจจังทุกข์อรัตน์เพื่อพระนิพพานพิจารณาเพื่อพระนิพาน พ, นา พ, พ, นพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วทาไมนิพพานจะมากลายเป็นอนาารัตน์ไปเสียซึ่งเป็นเรื่องของแต่และนิพพานพิเศษอะไรนั่นพิจารณาอย่างนี้ที่ให้มันเห็นอย่างนี้จี่นักปฏิบตัติถ้าลงได้เห็นถึงหัวใจเจ้าของแล้วไม่มีสะทกสถานพูดได้เต็มปากทีเดียวขอให้เห็นเถอะนะมีมันไม่เห็นที่มีแต่ความจําเอามาโฆษณาบ้างปั้งปีน ข้ากับว่าู่เขากับว่าลู่ใครกับว่าลู่มีแต่คนรููลู่ตั้งแต่ลมแต่แรงหาความจริงไม่ได้ในหัวใจอย่างที่ว่าลู่ด้วยความจำมันเป็นอย่างนั้นลู่ได้มากเท่าไรรู้มากเท่าไรยิ่งเพิ่มทีเด็ดตันหาที่ผีมานาความสาคัญมันหมายว่าตันรู้มากขึ้นเพียงนั้นเลยกลายเป็นเรื่องโง่ลงไปมากอืแทนที่จะเป็นฉลาดดังที่ความสำคัญของตนแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติลู่แต่ละลู่ไปยิ่งปล่อยยิ่งว่างความสําคัญมันหมายต่างๆหมดไปหมดไปจนกระทั่งโดย ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วปล่อยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยว่าเรารู้เราฉลาดก็ไม่เห็นมีสําคัญว่าเราเหนือคนนั้นเราเหนือคนนี้ก็ไม่เห็นสําคัญอืมว่าเราดีกว่าใครก็ไม่เห็นสำคัญเราเลวกว่าใครก็ไม่เห็นมีความสําคัญภายในตัวเลเพราะฉะนั้นงพระพุทธเ จ, จ้าหรือพระสาวกว่าจึงเข้าได้กับสัตว์ทุก ป, ประเภทอย่างสนิทใจเพราะไม่ถือ ม, มีตัความเมตตาสงสารไม่มีใครที่จะรู้ได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะนําประกาศสอนโลกให้โลกได้เอื้อมมา้ถึงทําบทนี้ทําธรรมชาติอันนี้ มีตรงมีความเมตตาสั่งสอนสัตโลกนี่แหละเพราะอันนี้เองแล้วจะเห็นจะอะไรนะนักปฏิบัติแล้วจะตื่นเรื่องของกิเลสมันหลอกให้หนักในธรรมให้สังเกตสังขาเสมอได้เห็นได้ยินไ ด, ด้สัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรอยู่ด้วยกันมีจํานวนมากน้อยเพียงไหนอย่านํากิเลสเอามาค้า้ายกันอย่านำมาเตะมาถีบ ก, กันมาทําลายกันเรื่องของกิเลสไปที่ไหนต้องทําลายนะ เราให้เข้าใจเรื่องของมันเสมอมันอยู่ในหัวใจของแต่และดวงวงนี้แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าท่านเราเล่นเหลี่ยวเมื่อเราไม่ทันมันถ้ากีบัญญัติน้อยทันนั่นน่ะมันจะทําลายทั้งเราทําลายทั้งคนอื่นให้ถ้าเป็นน้าก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดถ้าเป็นไฟก็เผาไหม้ได้หมดทั้งลําเป็นลําตายมาไม่ได้ทั้งนั้นอี้เลี่ยดไม่ได้ไว้หน้าใครเพระาะเราเป็นนักปฏิบตัติจึงไม่ควรไว่าหน้าขีเลีดไม่ควรไว่าใจขี้เลีดต้องเอาให้ดีนักปฏิบัติ พระพุทธ้ารงสอนว่ามีการสถานที่เมื่อาหรายตั้งที่พูดแล้วนั่นเอาลงไปที่หัวใจที่เวลานี้ใจมันไม่มีเสีวิสุมีแต่ความเร็วก็เพราะกิเลสพาให้มันเร็วกิเลสครอหมหัวใจไว้มองไปเห็นแต่กิเลสไม่ได้มองเห็นใจเลยกิเลสเป็นยังไงมันครอบหัวใจไว้หุ้มขอหัอหวใจไว้มันมีแต่ขี้ขี้โรคขี้โกรกที่หลงก็อยู่ในนั้นแ น, น่มันไม่มีสีวิสุทอะไรฟังว่าขี้นะ่ะทำลายมันลงมามันแหลกแตกกระจายหมดไม่มีเหลือจะมีขี้มาจากที่ไหน แสนสบายแสนสบายนี่พานังไประวังสุ ข, ขงังนี่ผานังไประวังสุ ข, ขงังแล้วไปหามองที่ไหนือมองเมฆ ก, ก็เป็นเมฆมองหมอกเป็นหมอกมองฟ้าเป็นฟ้ามองไปไหนหลอกไปตรงนั้นแหละออะไรปิดพระนิพพานไว้เวลานี้ไม่มองตรงนั้นนะเพราะมีตะกิเลธนั้นมันปิดพระนิพพานเหมือนความมืดมันปิดความสว่างเลยเปิดไฟเพเสีความมืดมันจะ เคยมืดมาตั้งกับตั้งกันมันจะามาโอดอ้างมาได้นะมาเป็นข้ อ, อ ย, ยืนยันไม่ได้เปิดไฟจ้าขึ้ทีเดียวเท่านั้นความมืดมันกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความสว่างจ้านั่นอันนี้กิเลสมันจะเคยมืดมากี่กับอีกัารมันเอาเป็นข้อแค่ตัวไม่ได้ขอให้ปัญญาปริโโปรเถอะวาดลงไปในนั้นมันจะสว่างจ้าไปหมดเลยกิเลสพังตะลายแล้วความมืดมันจะมีที่ไหนบอกกิเลสเท่านั้นพาให้มืดทำท่านไม่ไ ด, พดปปญญพ้พาให้มืดนักตีปัญญาสำลักอภาปัญญาพาให้มืดเมื่อไหร่ ลงไปให้มันเห็นชัดเจนอะย่าเลยความจริงพระเยซูสอนไว้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยมันมีปัญหาแต่ตัดหยดตัวงที่กิเลสครอบหัวใจไว้เท่านั้นเองมันเป็นปัญหาไปหมดถ้าลงในกิเลสได้ครอบในตรงไหนแล้วเป็นปัญหาไปทางนั้นสร้างแต่ปัญหาสร้างเหตุการเมื่อธรรมะได้พังทลายสิ่งที่เป็นปัญหานี่ออกไปแล้วอยู่ไหนมันก็ไม่เป็นปัญหาแหละที่เอาละปัญหามาจากไหนปัญหาจริงจรงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องสมมติทั้งหมดเมื่อได้สิ้นสุดเรื่องปัญหาที่ว่าเป็นสมมุติทั้งหมดนี้แล้ว จะเอาปัญหามาจากไหนไม่มีไม่สมยัยเออไม่ถามถามอนิพานถามทําไมอภินิพานอยู่ตรงไหนไหนถามมันทําไมคนหลงตึงถามไม่หลงถามทําไมพุทธเจ้าสอนไม่ได้ชั้นที่ตะโกนตะโกจะเห็นเองจะรู้เองอ๋อปฏิบททัติลงไปตามธรรมะขาวคตที่สอนไปแล้วเนี่ยสวดคาถาทาสวดคาถา ท, ท, ทแต่เราชอบแล้วชอบแล้วแล้วเลื่อยไม่ว่าทําบทใดบาทใดนี่จะชอบเท่านั้นปฏิบัติให้ชอบนี่เถอะเรื่องอภินิพานนาปรามังสุขังอยู่ที่ไหนมันจะรู้เองในหัวใจเนี่ไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้พูดที่จะรู้อภินิพาน จะตื่นโรคตื่นน้ำสารมันเคยเป็นโรคมาเท่าไหร่มันเคยเป็นกิเลสมาเท่าไหร่ตื่นมาหามันหาอะไรวิเศษวิโสอะไรตื่นทำนี่เราเคยรับเห็นไหมเห็นทำเห็นเรื่องกิเลสมันเอาถลอกปอกเปิกอยู่ตลอดเวลาอิเดียบทางต่างเมื่อเรื่องของกิเลสมันถลอกปอกเอาเอาถลอกปอกเปิกมันเตะมันถีบมันยันพิ้งไปพิ่งมายิ่งกว่าลูกฟุตบอลเราไม่รู้เลยเอาทำใหมันเตะกิเลสมันแหลกไปดูสิทําไมจะทำถ้าเตะกิเลสไม่ได้ทำเป็นของมีเศษยิ่งกว่ากิเลส มันแหลกไมได้มันต้องแหลกได้ไม่แหลกได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาไม่ได้สาวกทั้งหลายสิ้นกิเลสไม่ได้นต่อไปนี้จะไม่มีแล้วนะหายากหายากเดินำดับลำหนานะพระพุทธนี่เป็นระลึกถึงท่านจุคุ่นฉมวัดหนองนาฏวันหนึ่งเราไปกราบเยี่ยมท่านท่านพูดท่านก็พูดเป็นเรื่องคือยกผ้ากาสวาวพัด คือผ้าย้อมฝาดที่เราครองไปนั้นเป็นเหตุเฉยๆท่านไม่ได้มายกย่องเราท่านไม่ได้มาถือเราเป็นสําคัญอะไร ห, หรอกถึงจะสําคัญก็ไม่เป็นเรื่องของท่านแต่เราเองเราไม่ได้สําคัญมาตนเป็นคนสําคัญดังที่ท่านว่านั้นเพราะฉะั้นเราจึงนํามาพูดได้อย่างเต็มปากเพราะเราไม่ไปยึดไปถือคอําเหล่านั้นแต่ยึดมาเป็นธรรมเพื่อผู้ได้ยินได้ฟังว่าผู้มาศึกษาให้ได้นําไปคิดไปพิจารณา พอกล้าก็าไปพท่านพอเหลือบมองมาปัา๊บท่านขึ้นผางเลยนะไม่ทราบว่าเป็นยังไงอ่าผ้าหายากมาแล้วใช่ไหมถึงว่ า, าผ้าหายากมาแลก็คือหมายควาว่าผ้ากาสะพันธ์เนี่ยสีนี้เป็นสีที่ทําลายกงจับวัตจักรวัตกิจได้โดยไม่ต้องสงสัยผ้าหางอยากอยนี้ หาผ้าหายากมาแล้วนั่นพูดพดติดปากไงไม่ทราบมันเป็นยังไงจะเป็นคงเป็นสะดุดอยู่ในภายใจใจของน่านแล้วพระหายากนับมันจะหายากนะท่านว่าแล้วนับมันจะหายากก็โดยลําดับลาดาแล้วจนกระทั่งถึงหาไม่เจอนะแล้วไอ้พระหายง่ายนี่นับมันแต่จะง่ายนับมันจะง่า ย, บบายไปไหนมีตั้งแต่พระหาหาง่ายเกื่อนตลาดหน้าอินทรนาราใจนะะก้า ว, วไม่ระวังไม่ได้นะั้นโดนเดพระหายากหายากนะหัาแข้งหักไปแ้วนั่นว่าง ไอสิ่งที่หายากมีแต่จะหายากไปเดิมหนักหนาจนทั้งไม่มีสิ่งที่หาง่าย น, นับมันแต่จะง่ายขึ้นไปโดยลำดับท่านว่านี่ท่านพูดท่านพูดไม่ยิ้มไม่ย้อนอะไรนะท่านพูดอย่างขึงขังตึงตังรู้สึกว่าท่านจะมีอะไรบ้างเราก็เป็นคนฟังกำลังพิจารณานี่เราไม่ได้หมายถึงว่าท่านมายกมายอรเราว่าเป็นผ้ะหายากแล้วผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่าผ้ากาสาวะแต่ว่ า, ายยผ้าย้อมฝ่าท่าย้อมเดยน้ำผ่าแปลออกว่าอย่างนั้นกาสาวะกาสาวพัๆๆพพนแปลว่าผ้ายอมเดยนน้ำผ่า เพราสวนมาในางเทพมันก็มากจะมีมีคณะในวงกรรมฐานที่คลองผ้าขี่กศนขนุนเน่ยขีผ้าย้อมฝาดท่านก็นถืออันหลักนั้นถืออันนั้นเป็นเหตุท่านพูดท่นพูดท่า น, นไม่ยิ้มนะท่าน พ, พูดพูดอย่างแบบพูดจริงจังเพราะท่านก็นเป็นผู้สนใจนทางด้านปฏิบัติองค์หนึ่งเหมือนกันเพราะเราเคยจะคุยกับท่านมาไม่รู้กี่ปีมาแล้วแหละ สีิทสนองกับท่านมานานอุตมะท่านไม่ค่อยจะเล่นกับโลกอะไรนั่งหลาน่ะพอไปเจอกันนั้นก็คุย ก, กันแต่ธรรมะล้วนๆเช่นยาวกระซุบเด็จเขากับท่านจะคนณธรรมเจะดีวัดปุยสัพสมพรนธ์่งอยู่ดุบชาญยะลาหงนี่คุยธรายชีตข้างวงก็มีแต่ทำล้วนๆทำล้วนๆท่านก็เหมือนกันอย่นะมันทําให้สะดุดใจท่านพูดไม่หยุดปากจนไม่ตั้งลาท่านท่านยังพูดแล้วมีวันตอนนั้นมียาย่านโยมอยู่สามสี่คนผู้ชาย หาท่านหายากหาที่ไหนหายากแต่ความขยันมันไม่มีมันหายากเนี่ยในตัวของเรานี่แต่เราโอง่งโอ่งว่าเอาตรงนี้เอามาสอนเจ้าของตรงนี้สิชัดทามันก็หายากมันไม่ค่อยเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่ออเชื่อธรรมยิ่งกว่าเชื่อกิเลสเนี่ยย้อนย้อนธรรมานี่สิวิทยาสิมันเพียนอันเพียนธรรมมันก็ไม่มากยิ่งกว่าการเพียรตามตามกิเลสเนี่ย สติก็คิดจดจ่อไปกับกิเลสต่อเนื่องมากิเลสปัญญาคิดอ่านไปเรื่องของกิเลสไปเสียมันกลายเป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่ปัญญาของธรรมไปเสียหนักมันหายากหายากหาที่ไหนเอามาคิดที่พิจารณาที่หน้าปฏิบัติย้อนกลับมาปฏิบัตินำมาเพื่อปฏิบัติต่อตัวเองเอามาให้เป็นอุบายแก้ไขตนเองอย่างนี้ท่านพูดอย่างนั้นไม่ต้องไปคิดถึงเพื่อนผู้หนึ่งผู้ใดไอโอปานาญิโกน้อมกลับมาหาตัวเองมันหายากไหมสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเนี้ย ศรัทธาเชื่อในอริยธรรมหายากไหมในตัวของเรามันมีไหมศรัทธาจริงๆยันจังนั่นมัไม่มใช่ศรัทธาเชื่อกิเลสน่ะ น, นั่นนั่นหายากตรงนั้นเนี่ยไอ้ศรัทธาที่หาง่ายหาง่ายอย่างเมืบบเหมือนอย่างว่าภาพที่หาง่ายหาง่ายเรื่อยๆก็คือว่าศรัทธาที่เชื่อกิเลนมันนับมาหาง่ายไปโดนดับด่ดดาวิริยะกับเพียนไปทํนากิเลนนับมันหาง่ายไปโดนดับด่ดดาความอดความทนสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมมันคิดมันอ่านมันตรองมันจดจ้องไปทางเรื่องของกิเลนทั้งนั้นเอากิเลนเอาไปใช้หมด มันหาง่ายแต่ละคนละคนมันหาง่ายในตัวของเราแต่ละคนละคนมันหาง่ายเลสิวรงนี้นับปัญหาง่ายเดิมดับนับท่าม่รู้สึกตัวในส่วนที่หายายก็โกงมันข้ามอความเชื่อใอดในธรรมความกระเจี๊ยบตะการในอนดในธรรมมันหายากหาง า, ายหาง่ายแทบจะไม่มีนั่นแหละแยกทำไมาสิย้อนเข้ามาหาตัวเองอโอปัญยิโกวให้เสียผลเสีเบื่อแตท่านพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรพิจารว่าอย่างไงเมี่พิจารณาว่าอย่างนี้ ให้มันเป็นผลประโยชน์แก่เราก็ได้ยินได้ฟังมันหาง่ายถ้เป็นพระทรงอัจฉทรงธรรมทรงเหตุทรงผลทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตหลุญพลทรง ม, ม, มรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนี่สิศาสนาธรรมุนเจ้าไม่ใช่โมฆะนี่นะเนี่ยเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้นล้ว น, วนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งปัจจุบนันนี้เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาเป็นมัชฌิมาแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดนขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี่เถิดอย่าไปมัวคํานึงคํำมึงกับเรื่อง กิเลสปัญหาสสดิ์ที่มันหลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ไปจมอยู่ในเดือนจำห้องมันตลอดมานั้นมันเกิดประโยชน์อะไรมันหลอกศัตรเรามีทำเดินนักธรรมะศาสดาของเราไม่ใช่คนโง่คนผู้ปราบกิเลสให้ลาภภาพไปแล้วทาไมเราจะไม่ยกาศาสดาโอวาทของาศาสดามาปราบของกิเลสทั้งหลายบ้างให้มันลาภไปจากจิตใจของเราเนี่ยอันนี้เห็นมั่งที่วัดเป็นยังไงมรรคผลนิพพานเมื่อกิเลสลาดลงไปแล้วเราไม่ต้องถามแลยอันมรรคผลนิพพาน อดี๋ยนี้มันกิเลสน่นแหละี่เย็บเอาไว้มันไม่เห็นเพราะกิเลดพังลงไปแน้วมันทำไมจะไม่เห็นนะอ๋อปุ๊ดนี่แหละเลยเห้อไม่รู้มาลุกสื่อละผมเอาแน่ไม่ได้หละการเทศน์นะว่าการทุกวันนี้ แ, แต่มันจะเป็นไปตามเพลงของถ่ายของขันนั่นแหละห เ, เทศน์สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนเป็นบรรณาธิการมืรอเปลืพยนึงมากเขามากเขาทําไงนี่ มันควรขยับขยายนะพูดที่จะขยขยายควรจะขยายายเนี่ยนะมันมากก็มา ก, กสู้ไม่ไหวนะมากมันเลอะเลอะเลอะเทอะไปละหาความสงบสงัดก็ไม่ได้นะในป่าในวัดนี้มีถึงเกื่อนไปด้วยพระโดเนเรียนหาความสงัดไม่ได้มันก็ไม่เหมาะในเรื่องที่กลัวอด ก, กลัวอยากกลไม่มีอะไรกบฉันฉนั้นผมไม่ได้กลัวแหละ น, นั้นคิดดูยิงมาสร้างวัดป่ามาันต่างมันตั้งแต่วันสร้างมันจนสร้างถึงปัจบันนี้ไม่เคยได้ฉันเอาข้าวเปล่าโดยไม่มีกลับเลย สร้างมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาตายเดือนพฤศจิกาปศ2498นี่สร้างมาตาบันดาเนะจนกระทั่งถึงวันนี้ยังไม่เคยปรากฏเลยว่าได้พาพระเนรทั้งหลายฉันตั้งแต่เข้าวเปล่าไม่มีกับไม่มีอะไรเลยไม่เคยมีเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะไปกลัวตายเพราะไม่มีอาหารฉันได้ยังไงโดยมีข้าวฉันก็ไม่มีอาหารไม่มีกับได้ยังไง ก็ไม่เคยขาดสตีพอจะให้กลัวพอไปอยู่ในป่าในเขามันไม่รู้มันไม่ยอมพูดว่าสิบสิบผมนี่ไม่รู้พูดเท่าไหร่เลยฉันได้เข้าเป่าฉันได้เติดกันไปไม่รู้กี่วันก็เคยแล้วแต่เมื่อเรียวนึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพาดําเนินมาแล้วโอ้ยขี้ปฏิวิตรอเลยเล้วพอดีไม่มาคุยอวดทําไมเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านไปเป็นเดือนๆฟังๆว่าท่านไปอยู่บางบางแห่งเป็นเดือนๆฉันได้เข้าเป่างั้นแหละ ท, ทั้งนี้มันเป็นอยู่ในป่านมีไม่รู้กี่ข้างกี่คนอย่างนี้จึงจึงจึงไม่กลัวไม่กลัวว่าหมู่เพื่นจะอดตายแต่กลัวที่ทําจงแห้งผักในหัวใจเองสิคนจะมีด้วยมีก็าตามอาหารนั่ก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่นะขนานี้แล้วเรียกว่าเหลือเผือแล้วนั้นอย่างไม่มีคนเลย ย่งมือเช้าหรือวันเช้าวานหรือวันไหนอย่างนาตามปกติของความมันเหลือเฟืออยู่ตลอดแล้วมาเมื่อวานกับวันนี้มันน่าจะน้อยแต่ถ้าเทียบไปกับสถานที่ท่านที่กูบาจางพาอยู่แล้วมันเหลือเฟือน้องผืนนี่คิดดูหลังคาเรือนเจ็ดสิบหลังผ้าเน้นตั้ง 45, สี่สิบห้าสิบตลาดตะเลไม่มีเขาจะเอาอะไรมาถวายปลาคี่ดูสิจะอดอยากไหมนะั่นแต่ข้าวไม่อดแต่กลับมันจะเป็นไงพี่นาดี ก็อูตามสภาพของบ้านนอกเขาเนี่ยบ้านหนองผืนด้านในนั่นน่ะเขาจะเกี่ยวจะกาให้ตามกําลังแต่ความสามารถของเขา ท, ทั้งทั้งี่ตลาดไม่มีเรามาเทียบยู่ที่อันนี้มันมาจากตลาดของนี่แม้อยู่ในบ้านนี่มันก็เอามาจากตลาดได้เพราะทางสะดวกนั่นทางสะดวกที่ไหนใครไปเดินไปแทบเป็นแทบตายจากอําเภอพารานานิคมไปตั้งห้าร้อยหกร้อยเซนทอันนี้แค่ชิบสี่ชิบห้ากิโล รถวิ่งคู่เดียวอาหารอุดอยากอะไรผมจึงไม่ได้วิโตวิจารณ์เรื่องนี้วิโตวิจารณ์เรื่องธรรมจะให้แห้งผากภายในใจเพออยู่มากกว่ามากแล้วก็มีแต่ครังกิเลส ด, ด้วยอยู่ด้วยกันถ้าเป็นครังแห่งธรรมก็ดีคั้งงธรรมอยู่ด้วย ก, กันเท่าไหร่ก็ไม่ทะเลาะ ก, กันไม่กระทบกระเทือนกันไม่ขีดไม่ขวางกัน ไม่กิดไม่ขวางตนไม่ทะเลาะกับตนและไม่กินไม่ขวางใครไม่ทะเลาะกับใครถ้าครั้งยังทำอยู่ในหัวใจแต่นี้มันมีแต่ครั้งกิเลสเต็มไปหมดนับหนึ่งก็หนึ่งกิเลสไปเลยส อ, สองครั้งไปเลยสามครั้งสี่ครั้งสี่สิบอมก็สี่สิบครั้งกิเลสว่าไงมาบวกกันแล้วมันจะเป็นยุ่งเป็นฉางอันใหญ่โตยุ่งฉางกิเลสมันเป็นยุ่งฉางทํทำได้ยังไงแล้วทีนี้เอาอะไรมาเป็นสาระนี่น่าคิดไหมเรื่องที่ก ล, าาล่าวมาแล้วนี้ เพรานั้นจริงต้องเอาให้จริงให้จังกับเจ้าของมองอะไรก็ตามอยาไปดวนไปหมาบมาสิ่งนั้นผิดที่นี่ผิดยิ่งกว่าความสาคัญมันหมาขงตัวเองมันผิดต้องยกผลประโยชน์ให้ส่วนอื่นยกโทษให้เจ้าของเสมอเพื่อหาความจริงจากเจ้าของให้นั้นต่างคนต่างอยู่ด้วยกันได้สะดวกสบายเห ม, มันดูพูดตามความจริงแล้วใครจะ่าบ้าก็ตามเดีย๋ยนี้มันอยู่ ม, มันไม่คิดมันก็คิดทั้งหมนมันก เ, เป็นอัตโนมัติอันหนึ่งนั่นแหละในนิสัยของจิตนี่มันอดคิดมาได้เกี่ยวกับอยู่กับหมู่กับคณะเพราะความสงสารนั่นเป็นเหตุให้คิดนะไม่ใช่เพราะอะไรนะจะทํายังไงหมู่เพื่อนจะรับความเป็นอัดเป็นธรรมหรือรับความสงบร่มเย็นมีความเฉลียวฉลาดคิดไปคิดแล้วมันก็ไม่พ้นที่ในเงื่อนเหล่านี้ที่จะที่นํามาพูดอยู่เวลานี้ไปได้แหละ ยินไปงานสมนั่นงานสมนี้เข้าไปมันก็ยิ่งคิดแต่ก่อนก็คิดอยู่แล้วยิ่งไปเห็นประจักรหูประจักรตาเข้าไปอีกมัดอดคิดอะไรภาษาบา้าๆเราไม่ได้ละมันจะกินไม่กินก็ตามมัน อ, อดคิดไม่ได้แบบนี้จบกูไา้ใจใส่หีไว้กับหมักกระดองไว้เหมือนอะไรอู้ไม่ถูกเหมือปลาล่าประจับ ดองไว้ดองไว้ที่นี่เป็นปีเป็นปีเป็นปีเราไม่มันเผามาฝังกันนะอไหก็ดองไว้เอาแต่พินี้เป็นใหญ่ประเพิธีเป็นใหญ่ทำมาแมวมาเป็นใหญ่เลยทำอะไ่ศาสนาทั้งองค์ไม่มีความหมายเลยเลยมีแต่เรื่องประเพิธีเป็นใหญ่ระเพิธีอะไรมันถึงได้ใหญ่โตนะักยิ่งกว่าศาสนายิ่งกว่ากตัญญูไปพระพุทธเจ้า ปฏิญญาผานได้เจ็ดวันตอนนั้นทวายเพิ่มท่านแล้วนะและสาวกทั้งหลายไม่เห็นเป็นข้อกังวลวุ่นวายกับเรื่องสมดังเมินพระอาจาร์ท่านนิพพานที่ไหนสะดวกขนาดไหนมีอะไรวุ่นวายกับท่านท่านตายอย่างสบายๆท่านไม่มีใครยุ่งท่านทานสบายมากเพราะท่านหมดความดุ่งในจิตั้งท่านแล้วขันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ยุ่งไปด้วยนี่กรรมมา มายางสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์หายตายหมักมันดองเต็มแผ่นดินสวดกันอยู่นั้นเอาสวดกินกันอยู่นั้นอืพรหลังไยไปกินกันอยู่นั้นยุ่งไปหมดสละลังไรไปหาอาถรรพ์ทําไมไปไปเพื่ออยู่เพื่อกินอืมมันไปเพื่อทําอะไรมันไปเพื่อผงสงางอดคิดไม่ได้เราก็ดี แล้วุดท้ายไอ้เราีนเวลาตายนี่มันจะไมปเป็นอย่างนี้เหรอ <c oughs> นี่ใสเรามนคนอาย อ, อาภาพวาสนานเราจัดการเราได้มันก็มีปัญหาหน่ยตายกระตู้มเลยตรงไหนรุ่งแนี้ยไปเลยนี่มาหมักมาดองยุ่งนี่อันหนึ่งมันอดคิดไม่ได้เนี่ยทำาไมมันพุ่นจะเข้าเป็นเครื่องดองอีกแล้ว แม่หายกระเทียมดอ ง, งไปนั่นนบ ป, ประเณีของจัตดาร์ไม่มีมีแต่เรื่องประเณีของโลกของโลกตามชอบใจตามสัตใจอดคิดไม่ได้สุดท้ายก็เลยอดพูดไม่ได้วันนี้เลยพอพูดจะนี่พูดเขาถึงตัวเจ้าของเลยนี่ว่าบาก็ว่าไป เรามีสัยอาภัพวาสนานมันไม่ชอบดุ่มชอบอะไรอะไรกับใครเรื่องอะไรอะไรมันสบายมากอยู่สบายไปสบายกินสบายนอนสบายนั่งสบ า, ายใช้สบายทุกสิ่งทุกอย่างสบายสบายหมไม่ยุ่งนี่เป็นนิสัยของเราผู้มีวาสนาอาภัพเป็นอย่างนั้นแหละนี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในบุลุพนาฏมาจิมานิกไก ทั้งั้งจะวงเป็นศาสดาานะเห็นได้พระองค์จึงว่าอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่มันจะไม่ดื่มก็ไม่ดื่มอย่างนี้อะอะไรมันติดตามก็ไม่ดื่ ม, มพัู้ดดูกรผู้สู่ทั้งหลายเราสาคลถ้าไม่อยู่เกื่อนกลกับผู้กับคนเราอยู่ชั่วระยะเนี่ยฟังดีฟ้ชั่วระยะปรวากิจ อุจารากิจปัจสาวะกรกมกนนกรมเท่านั้นเราก็สบายมากมายเลยนะถ้าเราไม่ได้เกินคนกับผู้คนพระหนึ่งช่วระยะเพียงอุจารปัจสวะเท่านั้นเราก็สบายที่ท่านได้เกี่ยวข้องกับโลกสมความเป็นจัตตานั้นก็เพราะความเป็นจัตตาของท่านเพราะพระเมตตาสงสารของท่าน พาให้ท่านเลยเป็นปยัยญาแต่หลักอธิยาศัยธรรมดาธรรมดาบในปัจจุบันปัจจุบันของท่านแท่ น, น, นถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับใครถ้าไม่ติดอะไรท่านพอดีอยู่ในองค์ของท่านเองในพระจิตของท่านท่านพอดีถ้าพระธาตุพระขันธ์ของท่านพระสารีรังของท่านก็พอดีกับความอยู่ความเป็นผู้ผู้เดียวท่านจึงได้เปลี่ยนพระอุทานออกมา มือเปลี่ยนพระวจนออกมาว่าท่นไม่มีอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเราแล้วเราชั่วระยะอุจจาระปัจฉันนั้นเราก็สบายพิจาทั้งหลายเนความเรื่องนนั้นมหาคนนี้มหาโอนทนนี้ว่าไรคิดเอาใจเขาใจเราเน่ะพอผูกว่าไทยมันไปยากลําบากก็ทูว์ไทยไปเพราะคิดถึงใจเข้าใจเราไม่ใช่จะเอาแต่เพาะความสะดวกของเราอย่างเดียวมาใช้อืถ้าขันก็อยู่กับโลกก็เป็นโลกเป็นสมมุติ โลกทั ung, ้งหลายก็เป็นโลกเป็นสมมุติเขาก็เป็นสมมุตดเราก็เป็นสมมุติในระยะที่เป็นสมมุติอยู่ด้วยกันมันกระวังพึ่งกันคนเรานี่ยนี่เราเวลาโสสารแสดงหาครูหาอาจารย์เป็นยังไงอี่กจะพูดถึงเรื่องพ่าเรื่องเน้นก็ดีเราจอดแสดงหาแทบล้มแทบตายแสดงหาครูหาอาจารย์เวลาไปหาท่านนี้ก็กลัวท่านจะไม่รับไม่รองกลัวท่านจะว่าอะไรท่าอะไรก็ตามที่จะไม่รับเราเหมือนกับหัวใจมันจะขาดลงไปต่อหน้าต่อตา อันนี้เอามาเทียบกับหมู่กับเพื่อนที่มาจอดแสดงหาครูหาอาจารย์มาอยู่ด้วยถึงพูดอะไรก็ลําบากนิดวน่อยคืนมันก็ยากคายก็ลําบากเพราะความเทียบเหตุผลเหล่านี้ตลอดถึงประชาชนญาติโยมมาจากทางใกล้ทางไกลเราก็คิดหมดเขาก็เราหัวใจสะเทือหาที่พึ่งหาที่เกาะที่ยึดถ้าใจเป็นใจเป็นเอกใฮ้เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเป็นสองเป็นสามกับอะไรแล้ว อันนั้นอยู่ไหนกันดูได้ดังที่ว่าตะกีน้นี่ปกติปกติอยู่คนเดียวปกติพ่อใจเป็นปกติแล้วใจพอตัวแล้วใจไม่หวังพึ่งอะไรแล้วดนั้นอยู่ได้สบายๆแต่พูดยังหวังอยู่ที่ฮึซัดโลกพึ่งทั้งนั้นนี่จิตดวงใดจะไม่พึ่งไม่มีถ้าจิตยังมีกิเลสจิตต้องพึ่งทั้งนั้นนั่นละเอียดขนาดไหนก็ต้องพึ่งพึ่งอัดพึ่งทำแหนว่างไงละเอียดเข้าไปเท่าไรก็ยังพึ่งพึ่งพึ่งอัดพึ่งทำจนกระทั่งพ้นสตุกิงทุกอย่างแล้ว แต่ว่าพึ่งด้วยพึ่งอันนั้นให้รู้เองก็รู้เมื่อรู้เองแล้วก็ไม่สงสัยตัวเองพระเจ้าจ ใ, หให้ไปให้ไปให้ไปบอกให้ไปกล่าวหรือไปถามใครไม่ได้ความทั้งนั้นเนี่ยไม่สิ้นสงสัยให้เจ้าของรู้ตัวเองก็หมดปัญหาว่าพึ่งอะไรที่นี่ว่าเอาอะไรทิ้งอะไรที่นี่นี่ก็หมดปัญหาเองใครจะว่าบ้าตามแล้วนเป็นเรื่องสบายทุกวันอยู่ไปเหมือนอะไรจะว่าไม่มีเกิดไมีได้ไม่มีความหมายเขาว่าไม่รับแต่จะว่าไป มันเป็นอย่างนั้นจริงไม่สนใจกับอดีตอนาคตกับอะไรก็เป็นที่พึ่งอะไรไม่เป็นที่พึ้งมันไม่ได้สนใจไวเลยมันตั้งอยู่ตก่อนมันน้อมเสาะก็เสาะอย่างที่ว่าแล้วครูอาจารย์นี่ยโหก็เป็นเกิบตายบางอัดบางทําอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มากเนี่ยมันมันจ่อจริงเลยนะมันไม่เคยเล่นอยู่กับท่านมาได้เจ็แปดแปดปีนี่ท่านจะพูดทีเล่นทีกิงไอ้กิตอันหนึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้เล่นเลยมันจ่อตลอดมันที่เหมือนกับอับไทบปรไว้นี่ อนนมันจึงไม่ลืมท่านพูดอะไรๆกระทำมันเข้าหมดนั่นพ่อหวังพึ่งว่าง่าหวังพึ่งพิงหวังยึดท่านหวังก็มาเป็นคติทุกอย่างทุกอย่างมันยึดอยู่ตลอดนั้นเหมือนเรารับทานนะนั่นก็หวานอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยอะไรายซึ่งอยู่ในสำรับนั้นมันอร่อยไปหมดทีนี้พอมันอิ่มเต็มที่แล้วมันก็หายอร่อยเมันอิ่มแล้วจะว่าอะไรมาอร่อยอีกนี่ยตไม่ลาพอก็เหมือนอย่างนั้น เลายา temas, ังไม่พอกว่าแสวงแสวงแสวงเป็นกับตายให้ให live eh? ้ให้หลุดให้พ้นเป็นตายให้หลุดให้พ้นมันยิ่งพุ่งพุ่งพุ่งกำลังของใจนั่นมันพึ่งอยู่นั่นเห็นไหมพึ่งขนาดเป็นกับตายขอขอให้หลุดขอให้พ้นขอให้พ้นอะไรไม่ไม่ไม่สําคัญยิ่งกว่าความหลุดความพ้นไปเสียอย่างเดียวนั่นเนี่ยเวลาเอาให้เต็มเหนี่ยวหมดแล้วหมดทางที่จะไปจะมาแล้วก็ไม่เห็นว่าอะไรก็คนคนเดียวนั่นแหละทําให้ความนั้นไปไปไปไหนหมดอันนี้ก็ผู้เป็นผู้เป็นก็รู้เอง ไม่จําเป็นต้องมาบอกอะไรแจ้งอะไรอีกหมายถึว่าบ้าแตเดี๋ยวนี้มันก็บ้าพอแล้วพูดใน ห, หมู่เพื่อนฟังขนาด น, นี้ก็ดีใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เท่านั้นนะทีจะให้ว่าไงผมหมดปัญญาแล้วนะการสอนหมู่สอนเพื่อนผมไม่ได้มาลลหลบหลอกพวกลงวงหมู่เพื่อนสอนทุกสิ่งทุกอย่างถอดออกมาจากหัวใจของทุกอย่างเลยนะในพูดว่าผมไม่สงสัยการสอนหมู่สอนเพื่อนว่ากลัวจะผิดจะพลาดไปผมไม่สงสัยมึงก็เคยพูดมาลูกขี้ไม่ลูกขี้คังขี้ขแล้วนี่ยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มผซ้อมเต็มความสามารถ สอนเต็มตามความมีความเป็นของเจ้าของอย่างไรไม่เคยปิดบางนี้ลับไม่เคยสะทกสะทานในการสอนกลัวว่าจะผิดไปอย่างนี้ไม่มีเข้าใจเาะนั้นใครจะยึดก็ยืดใครไม่ยืดก็หมดปัญญาผมจะช่วยอะไรยิ่งกว่านี้ไปผมช่วยไม่ได้ผมบองผมก็คือผมเป็คนเก่านั่นแหละ <laughs> ผมเป็นนั่นแล้วพูดกันมะนพอพูดอยู่นั้นแ่ละพูดธรรมะอย่างอื่นไม่เอาเพราะว่ามันเบือเบ่อมันก็นเบื่อจริงนะแต่ว่าเบือ่อ ยี่อยู่อย่างกินคิดไปน้องๆมันไม่เอานะมันแปลกอยู่นีะมันเหมือนกับออกกับเปล่ามันดิ่งนีมันกงข้ามมันก่อนไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้มันเป็นบ้าอยู่งั้นนะที่ว่าไงนี่ถ้าไม่ได้คิดเดี๋ยวก็ลูกกบเสียงก็ดิ่งก็รดเครื่องสัมผัสอดีตแล้วน้อคนมันมันไม่ได้มันเป็นบ้ามันเงินเรื่องน้องๆแต่มันอยู่นอกมันดิ่งอยู่งั้นไอ้เวลานั้นมันกลับกงข้ามเวลาเราปฏิบัติธรรมเขาทำมาเขาจะมาทั้งเอาให้เต็มเหนียวกันแล มันพลิกตัวของมาันไปเรื่องอย่างนั้นไม่ได้อีกอ่ะเนี่ยกงข้ามนั้นถ้าเรื่องอะไเรื่องทําน้ําหมุนไปไดสบายแนย่อยู่คนเดียวก็เป็นน้ำมันได้สบายลื่นลื่นลื่นลื่นมันลื่ น, นเหมือนกับน้ํามันอะไรน้ํามันหล่อลื่นอย่างนั้นเวลาพูดมันก็เป็นอย่างนั้นพอพูดไปว น, นปลื่นไปละเลื่อง ก, กัน